สนองคุณบิดาด้วยอัดธรรมำในระหว่างที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดป่ากุงนั้นท่านก็เดินทางไปยังวัดบ้านขามป้อมจังหวัดมหาสร า, ารคามซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดท่านได้สนทนาธรรมกับพระหลวงพ่ออ่อนศรีซึ่งเป็นบิดาในเรื่องทำอันลึกซึง้งเพื่อสนองคุณบิดาผู้บังเกิดกล้าวแม้บิดาของท่านจะบวชมาก่อนก็จริงแต่ยังมีวัตถาปฏิบัติแบบวัดบ้าน ไม่ได้เคร่งครัดในทางธรรมวิเนยและเรื่องธรรมภายในใจก็ยังบกพร่องอยู่ท่านได้ถามกับพระผู้เป็นบิดาเรื่องสมาธิว่าเป็นอย่างไรบิดาท่านตอบว่าจิตขณะนี้เข้าภารยานได้แล้วเมื่อเข้าไปแล้วนิ่งสนิทไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่รู้สุกรู้ทุก์เข้าไปนิ่งสนิทถามบิดาต่อไปว่าแล้วจะดําเนินทางจิตอย่างไรต่อไปบิดาท่านตอบว่าถ้ามีวาสนา ก็เดินทางพลายานต่อไปได้ถามบิดาต่อไปว่าการเดินจิตทางพลายานย่างนั้นคือความรู้สึมทราบละเอียดเมื่อจิตเข้าสมาธิเงียบสนิทมันจะเดินทางยานได้อย่างไรเพราะยานนั้นเป็นเรื่องของความรู้ความรู้ประเภทนี้ไม่ต้องรอวาสนาถ้ารอวาสนาก็ไปได้ไม่ถึงไหนต้องอาศัยความเพียรกล้าในการพิจารณาและมีสติถ้าสมาธิเข้าไปแล้วเงียบสนิทมันเป็นโมหะสมาธิ หลวงปู่ศรีได้กล่าวการเที่ยวภาวนาและยกตัวอย่างให้พระหลวงพ่ออ่อนศรีผู้เป็นบิดาฟังต่อไปอีกว่าหลวงพ่อผมขอย้อนเล่าในสมัยผมไปเที่ยวสุน ด, ดงและยกตัวอย่างเรื่องติสมาธิให้ฟังพระอาจารย์ศรีกล่าวขึ้นพร้อมพนมมือด้วยความเคารพการที่ผมกล่าวนี้ไม่ใช่เพื่อโอ้เพื่ออวดนะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นคติและจะได้พิจารณากันในอยู่ครั้งหนึ่งสมัยผมอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่น ก่อนเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2492ประมาณเดือนพฤษภาคมผมได้การาบราท่านพระจารมั่นเพื่อไปเที่ยวทุดงกับเพื่อนสรธรรมิกรูปหนึ่งชื่อว่าพระคำพองได้ตกลงกันว่าจะไปหาถ้ำพักอยู่บนภูเขาเดินผ่านป่าเขาจึงถามคนแถานั้นว่าบนเขาพอมีถ้ำไหมโยมตอบว่ามีครับถ้ำนี้ชื่อว่าถ้ำคำไฮท่านพระจันมหาบัวก็เคยมาพัก แต่ขณะนี้มีเสือตัวดุร้ายอยู่ที่นั่นมันอันตรายมากไม่มีใครกล้าเข้าไปแถวนั้นอย่าไปเลยนะท่านมันอันตรายน่ากลัวมากมากผมบอกเขาไปว่าจะไปจะไปฝ่าอันตรายและถามพระที่มาด้วยกันว่าจะขึ้นไปด้วยกันไหมพระตอบว่าไม่ไปหรอกกลัวเสือกัดตายผมจึงบอกต่อไปว่าถ้ากลัวตายแล้วจะมาทําไมเรามาสแสวงหาอาถธรรมกลัวตายจะเห็นทำเหรอ ในที่สุดผมจึงขึ้นไปคนเดียวชาวบ้านจึงไปส่งและทําแค่สูงๆป้องกันเสือเสร็จแล้วเขาก็รีบลงมาปล่อยให้ผมนั่งภาวนาอยู่กลางป่าเขาคนเดียวถ้านี้เป็นถ้าต่ําๆถ้าเสือมันเข้ามามันก็เข้าไปเลยนอกจากเสือแล้วที่ตรงนี้ยังมีเทวดาอารักษ์ที่เข้มแข็งถ้าผู้ไม่กล้าหานชานชายัยก็อยู่ยากแล้วอาจารย์ไม่กลัวเสือกัดตายหรือพระหลวงพ่ออ่อนสีกล่าวขึ้นด้วยความอยากรู้อยากทราบเป็นอย่างยิ่ง หลวงพ่อครับเพราตกกลางคืนเท่านั้นแหละทั้งเสียงช้างเสียงเสือคำรามใจที่เคยเห้าหาในตอนกลางวันตอนนี้ชักหวั่นไหวอะไรในชีวิตความกลัวตายที่เคยหลับสนิทมาช้านานพลันฟื้นตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงเสือร้องยิ่งชิดจิตใจก็ยิ่งกลัวกลัวจนขาสั่นหวาดวันท่านพรึงทางเดินจงกลมมันอยู่นอกถ้าไม่กล้าจะออกไปเดินถึงแม้นนั่งอยู่ในที่ถ้าที่มีป่ากไม้ไผ่ก็ยังกลัวอยู่ ปิดประตูเอามงก์กรดลงก็ยังกลัวอยู่มีแต่กลัวกลัวกลัวอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกลัวตายแล้วท่านอาจารย์ทําอย่างไรพระหลวงพ่ออ่อนผีถามขึ้นผมได้พิจารณาสอนตัวเองว่าราวลาท่านหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มัน่นมาปราบปรามกิเลสภายในใจดวงพยศแล้วยังจะมาแสดงอาการบาดกลัวตายขายชี้หน้าเราจะมาหลบซ่อนความตายอยู่ในกรดนี้อย่างไรมันเป็นการสมควรแล้วหรือ การที่หลบอยู่ในม้งกรดนี้มันไม่ตายหรือที่ที่มนุษย์ไม่เคยตายไม่มีในโลกถ้ามันจะตายอยู่ตรงไหนมันก็ตายหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าไม่ว่าพระหรือโยมในที่สุดก็ต้องตายเราพิจารณาตายก่อนที่จะตายหรือจะตายทิ้งไปเปล่าๆ เ, เราจะเป็นใบลานเปล่าอ่านแต่ตำราฟังแต่ครูบาอาจารย์เทศนาสั่งสอนแต่ถึงเวลาเข้าสู่สนามรบจริงกลับกลายเป็นนักหลบผู้ขี้คลาด เป็นปราดจอมลวงโลกเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเมื่อคิดอย่างนั้นก็ปลงใจว่าธรรมะเท่านั้นยิ่งใหญ่ที่สุดเอาข่าวนี้หละมันกลัวตรงไหนเราจะแก้มันตรงนั้นต่อแต่นี้ไปเราจะเชื่อเฉพาะพระธรรมเราเชื่อเรามานานไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรเราควรเอาธรรมะเป็นใหญ่เอาธรรมเป็นหัวหน้าต่อไปนี้หัวใจแข้งขาต้องเดินตามธรรมเราต้องอยู่กับธรรมและตายกับธรรมเท่านั้น ไม่ใช่อยู่กับเสือแล้วก็ตายไปกับเสือพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าสัพเพสัตตาอเวราหุนตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพื่อนเกิดแจ่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นฉะนั้นใจเราจึงมาเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ร้องระงมทมทุกข์อยู่ที่นี่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันไปเสียได้ถึงผมคิดสอนตนบอกใจตัวเองอยู่อย่างนั้นแม้นเวลาผ่านไปสองถึงสามวันความกลัวก็ยังไม่จางหายไป ในวันที่สี่ตัดสินใจเปิดประตูออกเปิดใจออกเจ็บกรดเจ็บมง้งไม่ต้องกลางให้เสือมันมองเห็นจะได้เข้ามาตระคุบเอาไปกินได้ง่ายๆนั่งสมาธิอยู่ในถ้าเสือมันเอาไปกินยากไปนั่งในที่โล่งแจ้งหน้าถ้ำให้มันจับเอาไปกินได้ง่ายๆสมน้ําหน้าที่มันขี้กลัวนักกลัวหนาชิตตะลาตายไว้ว่านั่งอยู่ที่โล่งตรงนี้เสือมันก็เห็นยากออกไปเดินจงกรมให้มันเห็นชัดๆดีกว่า มันจะได้จับไปกินเร็วๆจะได้ตายไวๆดัดดวงใจที่แสนจะกลัวตายเมื่อออกไปเดินจงกรมเสียงเสือมันร้องคำรามอยู่ในที่ไม่ไกลเกิดความกลัวอย่างแรงกล้าก้าวขาก็ไม่ออกจึงเอามือยกขาให้ก้าวออกกัดเชี่ยวกัดฟันสู้สู้กับเสือภายในคือใจของตอนเองหัวใจนี้เต้นตุกตัดตุกตับยังกับว่าจะทะลุหลุดหล่นออกจากร่างมากองอยู่ข้างนอก มีบังคับจิตใจมาอยู่อย่างนั้นจิตดวงที่เคยกลัวจะหาโลกสมมติอยู่ไม่ได้ก็ค่อยคลายอ่อนความกลัวลงเมื่อจิตถูกบีบบังคับไม่ให้มีทางไปถูกเราบังคับให้สู้กับความกลัวเดินจงกรมกลับไปกลับมาพักหนึ่งจิตจึงรวมลงในทางจงกรมเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักพอจิตถอนขึ้นมาความกลัวไม่รู้ว่าหายหน้าไปไหนใจมีแต่ความกล้าหาญชันชัยกล้าจนเกินตัว ถ้าเสือเข้ามาจะเข้าไปรูปหลังมันเล่นเขวหัวมันเล่นได้อย่างสบายเลยหลวงปู่ศีเล่าการปราบใจดวงพยศด้วยการต่อสู้อย่างเข้มข้นและท้าทายจิตใจนี้เวลาฝึกได้มันกล้าถึงขนาดนี้เฉวหรือเมื่อฝึกกิจได้อย่างนั้นท่านอาจารย์ทำอย่างไรต่อไปพระหลวงพ่ออ่อนสีถามต่อไปด้วยความสนใจและอยากรู้ในการผจญมารของพระลูกชายเมื่อผมได้รับชัยชนะเรื่องความกลัว จิตใจก็ชื่นบานดีใจเป็นล้นพ้นอัศจรรย์ในพระธรรมคาสอนของพระบรมศาสดาจึงรีบเร่งบําเพ็ญเพียรสมาธิปัญญาด้วยการภาคเพียรอย่างหนักหน่วงหลังจากบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วก็ออกเดินจงกรมตลอดทั้งวันพอครบค่านั่งสมาธิยันสว่างเร่งจี้จิตตัวที่เป็นเฟื่อนเป็นไฟไม่ท้อถอยปล่อยวางแม้เดินห้าฤดูแรงอากาศกลางวันร้อนอบอ้าวเปรี้ยงเปรี้ยงก็เดินจงกรมตากแดดอยู่อย่างนั้นทั้งวัน ใจิตใจมันเพลิด ม, มันเพลินในสมาธิธรรมเดิมดำจนลืมวันลืมคืนลืมความเหน็ดความเหนื่อยเมื่อยล้าลืมเจ็บลืมปวดลืมตายเหมือนว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์องค์น้อยๆคิดว่าการลาท่านหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ม่านมาในคราวนี้เราได้ทำมัสมบัติอันล้ำค่ากลับไปอวดท่านเป็นแน่แท้แต่ก็ให้เกิดความสงสัยอยู่ภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจถึงกับอุทานว่าเอจิต ด, ดวงนี้มันเป็นอย่างไรหรอ แต่ก็ไม่สงสัยไปมากกว่านั้นเพราะเสวยสมาธิธรรมเด่มดำจนลืมพิิจารณาในธรรมข้ออื่นที่ยิ่งกว่าเมื่อครบกำหนดที่ลาท่านหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นมาก็เตรียมตัวลงจากภูเขาเพื่อหวนกลับไปหาท่านที่สำนักวัดบ้านหนองผือเหมือนนกคุ้มตัวน้อยๆโผลบินกลับสู่รวงรังจ้ำผวาเข้าซุกใต้เง า, เาปีกของพ่อแม่ของมันอย่างเพลิดเพลินรื่นเริงหลวงพ่อครับหลวงปู่ศรีกล่าวขึ้น ผมมีเรื่องแปลกที่จะเล่าให้ฟังในระหว่างทางที่เดินทื่ดงกลับคือในตอนเช้าในวันที่ลงมาจากถ้ำคำไหฮนั้นมีเหตุการณ์แปลกๆคือในระหว่างทางมีนกคุ่มตัวน้อยๆตัวหนึ่งน่ารักมากมันมากางปีกเดินตอแตะต่อแต่ไปไปมามาขวางทางที่จะเดินไปมาอยู่อย่างนั้นครั้นเมื่อผมจะไปทางซ้ายมันก็วิ่งเหาะๆมาขวางทางด้านซ้ายไว้ครั้นเมื่อผมจะไปทางขวา มันก็วิ่งหยอดเหาะมาขวางทางด้านขวาไว้ไม่ว่าผมจะไปทางใดนกคุ้มน้อยตัวนั้นก็พยายามกั้นไว้ไม่ให้ไปอยู่อย่างนั้นผมจึงพูดกับนกคุ้มน้อยตัวนั้นว่านกคุ้มน้อยตัวน่ารักเอ่ยเราอยู่ที่นี่ก็พอสมควรแล้วนะขอเจ้าจงอย่าขวางทางเราเลยเจ้าจงรีกไปเราจะรีบไปหาท่านหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นที่วัดบ้านหนองผือขอเจ้าจงอนุโมทนาพอผมพูดจบเท่านั้นแหละ นกคุ้มน้อยตัวนั้นก็กระพือปีกแล้วโผบินจากไปเหมือนว่ามันฟังภาษามนุษย์อย่างเรารู้เรื่องนี่ผมว่ามันเป็นเรื่องแปลกพิสดารจริงๆที่นกรู้ภาษาคนหลวงปู่ศรีกล่าวกับหลวงพ่ออ่อนสรีที่พยายามฟังอย่างตั้งใจหลวงปู่ศรีได้สนทนาธรรมกับพระหลวงพ่ออ่อนสรีต่อไปอีกว่าเมื่อผมลงจากถ้าแล้วกลับไปวัดบ้านน้องผือ ไปเล่าเรื่องให้หลวงปู่มั่นฟังท่านจึงว่าจิตที่สงบแล้วมันไม่อยากทําอย่างอื่นพอนั่งสมาธิจิตวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในความสงบทันทีโลกนี้โลกหน้าโลกไหนจะเป็นอย่างไรมันไม่สนใจที่จะพิจารณาพอเข้าสมาธิมันก็วิ่งเข้าไปสู่ความสงบทันทีจิตมันเป็นอย่างนี้จนเคยชินมันเหมือนกับว่าควายน้อยที่เคยอาบไปกินกล้าข้าวถ้าเคยกินแล้ว วันหลังมันต้องแอบไปกินอีกแล้วหลวงปู่มัน่นได้กล่าวย้ำว่าสมาธิแบบนี้มันเป็นโมหะสมาธิสมาธิมืดหลงในสมาธิจิตขั้นที่เป็นสมาธิมืดมันไม่ได้เรื่มดอกปัญญามันออกเดินไม่ได้ถ้าไม่แก้จนกระทั่งตายมันก็ไม่ไปไหนอย่าเข้านะสมาธิแบบนี้หลวงพ่อครับเมื่อได้อุบายอย่างนั้นจากที่เคยคิดว่าเป็นสวรรค์กลับกลายเป็นนรก ผมจึงมาเร่งสมาธิเร่งสติแม้ทําถึงขนาดนั้นมันก็ยังหาทางที่จะหลบเข้าสมาธิจึงต้องเร่งพุโทโธพุโทโธเร็วๆไวๆเข้าไว้ตลอดวันตลอดคืนเว้นแต่หลับเมื่อนึกถึงทำหลวงปู่มั่นก็มานึกถึงเหมือนในสมัยผมเป็นหนุ่มขี่เกวียนขึ้นขี่มา้าเมื่อถึงสถานที่ที่มีคนเสียงแสบัวหรือม้านั้นมันอยากจะแวะเข้าไปทันทีดึงไว้เท่าไหร่มันก็ไม่ฟัง จิตที่เคยไหลรื่นไปตามอารมณ์ของจิตที่ปรารถนาก็อย่างนั้นเหมือนกันถ้าหวังจะแก้ความคิดความเห็นให้ถูกต้องเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิจิตต้องอาศัยสติคุมเชิงอยู่ตลอดเวลาจิตใจคนเราที่ว่านนแน่ๆก็เหมือนอย่างเดียวกันนี่ลหละครับหลวงปู่ศรีจรึงสรุปตอนท้ายให้พระหลวงพ่ออ่อนศรีผู้เป็นบิดาฟังว่าฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าจิตของหลวงพ่อเวลานี้เป็นโมหะสมาธิเหมือนที่ผมเคยเป็น การทรมานหรือการงดในสิ่งที่มันต้องการต้องสังเกตติด ต, ตามอยู่ตลอดเผลอสติเมื่อใดเดี๋ยวจิตจะหันเหตไปทางอื่นทันทีเราต้องตามรอยจิตเหมือนกับตามรอยโจรขโมยหรือผู้ร้ายเพื่อจับตัวมาเข้าคุกนี่คือการฝึกสติเมื่อสติดีแล้วก็อย่าปล่อยใจออกไปหลบเข้าพักในสมาธิอย่างนั้นอีกให้พยายามพิจารณาทางด้านปัญญาด้วยการคลี่คลายสกลกาย ด้วยอนุโลมและปฏิโลมแจกแจงให้เห็นสภาพความเป็นจริงด้วยอสุภะอสุพังอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อหลุงปู่สีท่านกล่าวจบลงพระหลวงพ่ออ่อนสีได้ปีติเกิดความซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนอันเป็นหลักแห่งความจริงท่านทั้งสองได้สนทนาธรรมกันเป็นเวลานานพอสมควรเป็นภาพที่หาดูได้ยากยิ่งนักสมเป็นสมณะสาวกยบุตรพุทธชิโนรตแม้ ผู้เป็นบิดาจะบวชก่อนแต่ท่านทั้งสองก็เคารพธรรมคือหลักความจริงจึงนับว่านุกปุษีมหาวีโรท่านเป็นผู้กระตันยูกตะตวทธีรู้คุณต่อบิดามารดาอย่างแท้จริง